ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่8ดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องชีวิตประจําวันของพระแล้วก็เกี่ยวข้องไปถึงพุทธศาสนิกช น, กนทั่วไปด้วยก็คือเรื่องสวดมนต์เรามาทำวัดเชา้าทำวัดคำ่ำก็มีเรื่องสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากทำวัดเชา้าทำวัดคำ่ำก็ยัง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 เรียกว่าสวดพระพุทธมนต์ใช้ต่างจเจริญพระพุทธมนต์กับสวดพระพุทธมนต์แต่ถ้าเป็นเรื่องการสวดมนต์ทั่วไปก็ใช้แค่ว่าสวดมนต์เฉยๆทีนี้การสวดมนต์นิเดิมเป็นเรื่องของการสาธยายคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทรงจําด้วยปากเปล่า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 ตกหล่นคํานึงก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้นีต้องเหมือนกันต้องสวดพร้อมกันไปได้วยกันได้ไ ด, ด้ีก็เลยเป็นวิธีรักษาคําสอนที่อย่างที่บอกเมื่อกี้แม่นยำมากยิ่งกับตัวหนังสือสมัยก่อนนี่ตัวหนังสื อ, ต, อต้องคัดลอกพอคัดลอกทีก็ต้องมีหล่นมีตกมีพลาดทุกครั้งไปนีอย่างที่เขาลอกตํารายากัน เขาบอกว่าลอกเจ็ดทีก็กินตายพอดีอันนี้ก็เลยต้องระวังมากมท่านถือเป็นเรื่องสำคัญมากคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ก็เพราะหลักพระศ า, าสนาเนี่ยเนี่ยก็ทำบวที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บัญญัติไว้เนี่ยเป็นเหมือนพระศ า, าสนา พอพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วอะไรเป็นตัวแทนพระองค์แล้วก็โคสิ่งที่สิ่งที่พระองค์สอนเพราะฉะนั้นเมื่อจะาบริณิพพานพระองค์ก็ไม่ได้ตั้งใครเป็นผู้แทนของพระองค์เป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นประมุขของคณะสงฆ์แต่ตรัสว่าเมื่อเราล่วงรับไปแล้วทำละวินัยที่เราแสดงไว้แล้วและบัญญัติไปแล้วนี้จะเป็นาศาสตราของเธอทั้งหลาย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 อันนี้ก็เพื่อให้รัฐกรมยิ่งขึ้นก็แบ่งคณะกันนะพระเถระองค์นี้มีลูกศิษย์ลูกหามากเป็นผู้ใหญ่ก็มอบหมายว่าท่านเป็นผู้ฉลาดชำนาญในด้านนี้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนนี้ชำนาญมากอธิบายได้เก่งให้ท่านรับผิดชอบกาหบูคณะของท่านเนี่ยทรงจำส่วนนี้ไว้ฉชนทีกกาย ส่วนองค์นี้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบส่วนมชิมริกายองนั้นรับผิดชอบส่วนอื่นตอบไปแล้วท่านก็สวดพร้อมกันอย่างเงี้ยมีการสวดอยู่เสมอนี่ต่อมาพอสอใกล้ๆห้าร้อยปีในทิลังกาก็มีการจารึกพุทธพจน์ลงไปลละอักษรต่อจากนั้นก็การสวดรักษาพุทธพจน์ก็ก็ถือเป็นเรื่องที่ว่า เหมือนกับหมดความจำเป็นใช่ไหมไม่ใช่เป็นกิจจำเป็นอีกก็เลยการสวดมนต์สาธยายคำสอนก็ค่อยๆน้อยลงไปก็เอามาเป็นเรื่องของรายละอักษรต้องมากำชับกันว่าจะคัดลอกอย่างไรไม่ผิดพลาดก็ถือกันว่าเนี่ยถ้าหากว่าได้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 หรือเป็นเครื่องนำศรัทธาปราสาธะใช่แต่ก็ยังเป็นประเพณีว่าในแง่หนึ่งก็เป็นการสาธยายคำสอนพระพุทธเจ้าให้ประชาชนได้ฟังเอามาบางส่วนก็ยังดีเป็นสิริมงคลเวลามีงานพิธีอะไรก็อา้ามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนะแต่นี้ส่วนหนึ่งนะก็จะมาในแง่ว่าเป็นเครื่องโน้มจิตให้เกิดศรัทธาปสาธัสสทะมีปิติอิ่มใจน้อมไปสู่ความสงบเป็นสมาธิ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 บางชัดบางวัดนี่ก็ไม่ได้ฉันพร้อมกันแต่ก็มาสวดมนต์พร้อมกันมีสัญญาณตีละครังว่าเอานะมาพร้อมกันสักทีในวันหนึ่งก็ได้พบกันสองคนประธานคุณเจ้าวาดมีเรื่องอะไรจะบอกจะแจ้งข่าวคราวค ว, วามเป็นไปข้าหมู่คณะก็จะได้ถือโอกาสแจ้งตอนนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปในวัดของเราควรจะแก้ไขปรับปรุงก็จะได้มาปรึกษาหารือ แล้วก็จะมีเรื่องอะไรเกี่ยวความประพฤติเนี่ยเกิดขึ้นในวัดเราที่มันไม่เหมาะสมหรือควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น mm. ก็จะได้มาแนะนำ mm. ใช่ไหมแล้วก็อาจจะได้มาฝึกปฏิบัติกรรมฐานอะไรกันด้วยก็ได้หรืออาจจะมาที่บายธรรมะอะไรกันอย่างที่เราทํากันนี้ก็ได้นีก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่จะมีกิจกรรมขอหมู่คณะแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ะความความคุ้นเคยความสนิทสนมนะของพระที่อยู่ร่วมกันก็มีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมของสังคมมีความหมายหลายอย่างแต่นี้นอกจากว่าในหมู่พระแล้วก็ญาติโยมก็อาจจะได้มาร่วมด้วยใช่ไหมประชาชนก็ได้มีโอกาสได้รับผลอย่างเดียวกันที่พระได้รับอย่างนั้นทั้งในแง่ของการ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 ถ้าเป็นประเภทคําสอนของพระพุทธเจ้าก็าต้องเอามาจากพระไตรปิฎกไปเลือกคัดเอามาเช่นบทสวดมงคลสูดอเซบนาจะพาลานังอย่างเงี้ยนะหลายบทเลยเอามาจากพระไตรปิฎกก็ทาเป็นคําสอนดีๆท่านการคัดเลือกมาชื่อก็ดีเหมาะเอาไปใช้สวดในงานมงคลก็ ก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยแล้วก็เนื้อหาก็ดีมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัตไว้แต่เป็นมงคลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติการพัฒนาชีวิตเนี่ก็เป็นประเภทคําสอนของพระพุทธเจ้าพุทธพจน์จากพระไตรปิฎก2ก็เป็นประเภทบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยว่า อิทิปิโสอย่างนี้ใช่ไหมบทสวดธรรมวัดโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นบทประเภทสารเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยโยโสรพระคารังสมมาสัมพุทโธเลยบทบทสวดอย่างนี้ก็เยอะพอสมควรนะก็จะให้น้อมจิตเข้าไปสู่พุทธคุณเอาพุทธคุณมาเป็นอนุสติแล้วก็เมื่อรำลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็น้อมจิตไปสู่ความดีงาม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 เพราะว่าตุศัพท์พมังค์ังรักขันตุศัพระเทวตาเนี่ยสวดแทบทุกครั้งเลยเวลามีงานพิธีบทนี้เป็นบทที่เกิดภายหลังไม่มีในพระไตรปิฎกนะแล้วตอนหลังๆนี่บทที่มาหรือเหนือจากเวชัยให้พอรอีกตั้งจิตปรารถนาดีนะมันชักจะเลยไปทางคล้ายๆเกือบจะอ่อนวอนซะแล้วนะบทสวดประเภทนี้เกิดทีหลังเท่านั้น ก็แต่งกันขึ้นแต่งกันขึ้นมาก็ไปอ่านว่าครบและสประเภทนหนึ่งประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนมากมาจากพระใจเปินดกสองประเภทสารเสริญคุณพระรัตนตรยัยและก็สพวกอุชายให้พอรก็จะเป็นประเภทที่ส่วนมากเกิดขึ้นภายหลังพระอาจารย์ภายหลังเรียบเรียงรถจนาขึ้น ถ้าเป็นพุทธพจน์โดยมากก็จะพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติ ด, ดีก่อนซึ่งเป็นเรื่องคำสอนแล้วก็จะบอกว่าการประพฤติปฏิบัติงั้นก็จะเกิดผลดีอย่างนั้นงั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของผลดีเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตาแต่บทสวดไว้ให้พรนี่อึดอักขึ้นมาก็ให้พรกันแหะตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันก็าตามหลักพระาศาสนาก็ถือว่าเป็นการแสดงความปรารถนาดีตั้งจิตเมตตาก็ดีแหละใช้ได้เนี่ยจว่าอาจจะ ต้องระวังบ้างว่าถ้าไม่คุมกันไว้เนี่ยมันจะออกไปเชียดเฉียดกับศาสนาโบราณนะเดี๋ยวจะใกล้ลัทธิอ้อนวอนไปนะเอาละครับก็เป็นความรู้ทั่ ว, วไปทีนี้มาพูดถึงหนังสือสวดมนของเราหนังสือสวดมนที่ใช้ประจําของเราเนี่ยก็มาจัดเป็นบทสดประจําวันบทสวดประจําวันนี่ ขอทำความเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่จัดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในสำนักเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขาสวดประจำวันกันอย่างนี้นะีคือหมายความบทสวดมีมากมายทีนี้บางบทในพระเราก็สวดอยู่เป็นประจาแล้วก็ควรจะมาทบทวนหรือบางบทก็ไม่เคย ใ, ใช้ก็ควรจะจำไว้ได้ด้วยนี่เรามีเวลาเจวันบทสวดก็มีมากมายในวันเดียวนั้นจะสวดหมดก็ไม่ไหว ทำไงดีก็มาจัดกันในเจ็ดวันนี่สิเอาบทสวดมนต์นั้นมาทบทวนกันบ้างหรือมาจัดเพื่อให้มีโอกาสได้สวดบ่อยๆจะได้จาให้แม่นบ้างท่านก็จัดของท่านแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรเอทีนี้ของเราเราก็จัดนะก็มาดูว่ า, อาตอนนั้นพระก็มีเมื่อกี้องค์ก็พระมาจากพระเก่าซึ่งสวดบทสวดมนต์ต่างๆก็ได้มาม า, มากแล้วนะก็เลยเอา้าว มาจัดว่าว่าอาทิตย์วันจันทร์นี่เอาบทสวดที่ใช้ในงานมงคลทั่วๆไปนะซึ่งเป็นบทสวดที่ใช้มากแต่ทีนี้เอาว่าอาทิตย์นี้เป็นบทสวดที่ใช้มากที่สุดใช้ประจําเลยอย่างมงค ล, ละสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้หลายบทที่ใช้กันมากใช้ประจําบ่อยได้คล่องอยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็เป็นระยะแรกๆกับเออบทสวดมีเยอะก็ตัดๆัดออกซะบ้างเพราะฉะนั้น บทสวดว่นอาทิตย์เนี่ยที่จริงไม่ครบบทสวดที่ใช้ประจํายังมีอีกแต่เพราะเห็นว่าพระที่มาสวดกันอยู่เป็นพระเก่าหลายบทนี่จะคล่องจนเหลือเกินไม่จำเป็นเลยจะต้องมาสวดอีกก็เลยไม่เอามาใส่เนะพราะนั้นเรื่องมันก็เลยยังค้างอยู่ว่าบทสวดนี่ไม่ครบนี่เป็นเรื่องของความเป็นมาของสํานักนะฮะเอาบทที่ใช้น้อยหน่อยนะให้จําไว้นะวันจันทร์นี่เป็นบทที่ อย่างเดียวกับวันอาทิตย์นั่นแหละคือใช้ในงานมงคลแต่เป็นบทที่ใช้น้อยหน่อยนะหรือน้อยกว่าทีนี้ต่อไปวันอังคารวันอังคารก็เป็นบทสวดพิเศษบทสวดพิเศษก็เช่นบทสวดงานมงคลในพระราชพิธีในวังเนะี่ยก็อาจจะอยู่ในประเภท อันที่หนึ่งที่สองแต่ว่าเพราะใช้เฉพาะในวังข้างนอกไม่ใช้บทอรหังสัมมาสัมพุทโธโลกานางอนุน ก, กรรมะโกรหรือบทยังยังเทวมนุษสานังเนี่ยใช้แต่ในวังนะเป็นบทสวรพิเศษกันแล้วกันทีนี้ก็น้อยไปก็เลยเพิ่มมาอีกเอาบทปรัปปชิตตาภินหาปัจเจเวคขะข้อที่บรรพชิตควรพิจรารณาเนงประการซึ่งเป็นของเหมาะสาหรับพระสงฆ์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 อ่านี่ก็วันอังคารแล้วต่อไปวันพุธวันพุธนี่เอาละก็เปลี่ยนมาเป็นงานเอาว่ามงคลบ้างเป็นงานศพวันพุธนะเป็นบทสวดมาติกาเป็นบทสวดอภิธรรมเจ็ดคำพนะีนี่ใช้ในงานศพวันพุธแต่ว่าเราไม่ต้องถือที่จริงความจริงเนี่ยที่เขา เลือกเอาบทสวดอภิธรรมไปสวดในงานศพเนี่ยเพราะเขาต้องการสิ่งที่เป็นหลักคําสอนสําคัญเลยเพราะว่างานศพเนี่ยมักจะเป็นงานศพบิดามันดาแนละ้วคนจัดงานศพนี่ที่สําคัญที่สุดก็คือจัดให้บิดามัรดาที่บาดามารดานี่เป็นยอดของผู้มีพระคุณ น, นี่ก็ต้องเอาที่ดีที่สุดโนะบราณก็ถือกันว่า พระพิธรรมเนี่ยเป็นคําสอนที่ยอดสุดนะโบราณถือกันว่างั้นอนะ่ะเหมาะสําหรับใช้ตอบแทนคุณบิดามัรดาเพราะฉะนั้นเวลาสร้างคำพีก็นิยมมาสร้างพระอภิธรรมในตอบแทนคุณบิดามันดาอันนั้นเวลามาใช้ในงานศพก็สวดคำภีร์หรือบทสวดที่ถือว่าเยี่ยมยอดก็คืออภิธรรมใช่ไหม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 ในพิธีเช่นมาติกานะสวดพระพิธรรมตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนะทีนี้เวลาสวดพระพุทธมนต์ที่คู่กันกับเจริญพุทธมนตรนะ์เจริญพุทธมนต์ฉันเพนเงานอาวบมงคลก็มีสวดพระพุทธมนต์ฉันเพนอันนี้ก็เลยเอามาอีกชุดหนึ่งบทสวดพระพุทธมนต์สําหรับงานอาวบมงคลก็ไปยวนพระฤ ห, หัตนะเนี่ยสวดพระพุทธมนต์ ก็มีบทยถ า, าพิเสลาอะไรแต่ไรเป็นบทเตือนใจให้ระลึกถึงความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเช่นบทยถ า, าพิเสลาก็บอกว่าเปรียบเหมือนภูเขาหินเป็นแท่งทึบน่ะกลิ้งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่บทขยี่สันติสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางหนีรอดไปชั้นใดอะไรต่างๆความแก่ความตายก็บทคยี่สันติสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นอะไรเนีย น, นะเป็นกติเตือนใจแล้วก็มีบทอื่นๆที่ว่า คนใดที่ว่าได้เจริญธรรมะหาประการมีศรัทธาศีลสุจรจาระปัญญาทัานติภัณฑมีชีวิตไม่ว่างเปล่าเท่ากับว่าเออคนที่ตายไปแล้วก็ถ้าได้มีธรรมะเหล่านี้ก็เป็นชีวิตที่มีค่านะให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติโดยเจริญธรรมะเหล่านีนะ้ต่อไปเราก็ต้องตายเหมือนกันจะได้มีชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าเปไม่เป็นโมฆะอะไรก็เป็นบทสวดเตือนใจนะ ให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้สร้างสรรค์คุณงามความดีได้รู้ความจริงของชีวิตเลยนี่นะนี่เป็นบทสวดพระพุทธมนตในวันพฤหัสบดีนี่เป็นบทสวดพระพุทธมนต ร, นนรนในงานอาวมงคลโดยปกติจะใช้ตอนสวดบนแล้วก็ฉันเพงต่อต่อไปวันศุกร์ทีนี้วันศุกร์ก็เป็นที่รวมองบทอนุโมทนาบทอนุโมทนาให้พรแล้วทีนี้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 ตอนอวันเสาร์ก็เหลืออยู่วันละเป็นนั้นว่าบทสวดที่จะใช้ประจำทั่วไปนี่ครบพอแล้วก็มาบทพิเศษบทพิเศ ษ, บ ท, เศษบทใหญ่ก็เลยเอาไวส้สวดธรรมจักรกประวัตนสูตรวันเสาร์นะีพอธรรมจักรบทเดียวก็พอแล้ววันนั้นนะียาวบทสวดธรรมจักรนี่เดี๋ยวนี้นิยมใช้ในงานวันเกิดใหญ่ ก็จะไปแทรกเสริมเข้าไปในบทสวดวันอาทิตย์บทสวดอาทิตย์ที่เป็นบทสวดเจริญพุทธมนตรในงานมงคลวันเกิดก็ต้องใช้ด้วยแต่เสร็จแล้วงานใหญ่ๆก็นิยมเอาธรรมจกักรกัปตนาสูตรเข้าไปแทรกเพิ่มอีกหนึ่งสูตรความจริงงานศพเขาก็มีนะบทสวดใหญ่ๆอ่างเช่นว่าเจวันให้สวดบทนี้ห้สิวันสวดบทนี้อะไรเงี้ยนะก็มีบทตอนนี้เรามา ใช้แต่ธรรมนุญามาสตรที่จริงก็มีอาทิตตปริยายสตรอนัตตลกนัสูตรแต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีงานไหนสวดแล้วก็สวดธรรมนุญามาสตรที่มีอยู่แล้วในวันพระรกษสบดีเป็นพื้นอันนี้ก็เป็นอันว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทสวดที่มีอยู่ในหนังสือที่เรามาสวดกันเป็นประจาวันในตอนคำ หลังจากทําวัดคําเป็นบทบทส่วนมนต์ต่อท้ายทำวัดคําก็เป็นเรื่องชีวิตประจําวันส่วนหนึ่งก็เอามาเล่าถวายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เ, เกี่ยวกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะประจําวันเพราะว่าเดี๋ยวผ่านไปแล้วไอ้ไม่รู้อะไรก็สุดจบกันไปแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ตนทำใช่ไหมนี่ถ้าสงสัยอะไรก็นิมนต์นะจะได้ถามให้รู้นะ นี่เป็นตัวอย่างของการบอกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันถ้าบาะทีผมนึกอะไรไม่ออกก็ท่านก็เก็บเอามาถามทแล้วทำไมบางวันต้องชุมนุมเทวดาด้อ่อวันง า, ง, งานเาจริญพุทธมนต์งานมงคลก็จะมีการชุมนุมเทวดานะนั้นวันอาทิตย์ก็เป็นเจริญพุทธมนต์เป็นวันงานมงคลก็ชุมนุมเทวดา แใน ว, วันจันท์ก็ชุมนุมเทวดาวันอังคารก็อยู่ในบทสวดพิเศษที่บทสวดในหวังใช่ไหมฮะก็ยังเนื่องอยู่ในงานมงคลก็เอาชุมนุมเทวดาด้วยพูดบรหิหัตไม่ต้องงานเอามงคลทีนี้สุกนั้นเป็นวันเป็นสุกนั้นเป็นบทสวดอนุโมทนาก็ไปเนื่องอยู่กับงานมงคลเป็นส่วนมากก็เลยเอาชุมนุมเทวดาซะด้วยแล้วก็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 ท่านจะได้เอาธรรมะนี่ไปไประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตนเองในพัฒนาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นก็นน <ะ S 2> เป็นประเพณีนะประเพณีไม่อยากให้เทวดามายุ่งมางท่านหรือว่าไม่ไม่ต้องให้เทวดาเทวดาจะไม่ก็ชอบงานแบบนี้นะ แต่งภายหลังภายหลังนานเป็นของยุคหลังตอนแรกที่คล้ายๆว่ามาค้นพบกันใหม่เพราะว่าหลังจากเรือนลางเป็นนานเนี่ยก็เข้าใจเป็นของสมเด็จโตสมเด็จพระุทธเจาโตวัดรักขังเข้าใจกันว่างั้นต่อมาปรากฏว่าอ้าวในรังกามีนี่ไปเจอก็อตีหลังในรังกามีเก่ากว่าแสดงว่าเข้ามาจากลังกายที แต่ว่าไม่ทราบว่าแต่งเมื่อไหรยังบทสวดงานศพก็ยังมีสวดพมล า, ายอันนั้นก็เป็นประเพณีเรื่องพม่าไหลนี่นก็เป็นเรื่องหลังพุทธกาลนานเกิดในลังกา เ, าเรียกมารายะชนบทในลังกาทวีก็เป็นตำนานพระองค์ก็เป็นบทที่เอาเนื้อเรื่องความในสมัยพุทธกาล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 แต่ว่ารวมบทสวดที่สวดในพิธีอย่างนั้นสั้นๆไม่ต้องการเจริญพุทธมนต์บทเต็มก็เอาแค่ถวายพรเพลศการสวดที่ดีนี่อย่างที่ว่าแล้วก็น้อนมนำศรัทธาภาษาทะเพราะว่าเสียงสวดเนี่ยมันเป็นของเทียบเคียงกับเรื่องการร้องเพลงศับก็ใช้ศับเดียวกันขีตะแปล ว, ว่าเพลงนะ การสวดก็ใช้ขีตะคีติเหมือนกันอย่างสังขยนานาสังคีติสังคีติเพร า, าสวดพร้อมกันตัวสังนั้นแปลว่าพร้อมกันคีตะก็เพลงคีตกิก็การสวดนี่ก็ตัวศัพ์ภาษาบาลีก็เลยเป็นสวดศัพท์เดียวกันสังขายานาสังพร้อมขายานาเพราะาการสวดสังขายานาก็การสวดพร้อมกัน อันนี้ตัวคายนาเองก็แปลว่าการร้องเพลงก็ได้ทีนี้ร้องเพลงของชาวบ้านนั้นในหลายกรณีจะเป็นการร้องเพื่อยั่วยวนล่อเราในเรื่องก า, มารมร์มแต่ก็มุ่งความไพเราะแต่ความไพเราะนั้นจะสื่อไปถึงเรื่องของ การนะฮะมากแต่ว่าเพลงบางอย่างก็จะมีลักษณะที่โน้มมาสู่ความสงบหรือทําให้จิตใจเนี่ยได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามสูงส่งขึ้นไปก็มีนะทีนี้บทสวดของพระนี่มันก็จะมาเป็นฝ่ายเนี่ยที่เป็นฝ่ายที่โน้มจิตไปสู่ความดีงามความสงบมันก็มาเป็นคู่เทียบจะเรียกว่าดุนกันกันได้กับเพลงร้องในทางกาม นี่มันก็เป็นบทสวดที่มุ่งความสงบความดีงามที่ว่าเมื่อฟังสวดแล้วก็จิตใจก็จะโน้มไปสู่ความสงบนะแล้วก็นเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของธรรมะก็จะมาประสานกันทําให้จิตใจเนี่ยนึกถึงธรรมะนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ยังมีเลยมีบทเพลง บทหนึ่งเข้าไปอยู่ในพระใจเป็นดกเป็นพระสูตรองไรชื่อสักกะปัญหาสูตรก็เป็นเรื่องของเท พ, พบุตรท่านหนึ่งเนี่ยไปเกี่ยวเทพธิดาก็ขับเป็นเพลงแต่เพลงนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยธรรมะนมีการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้น บทเพลงนี้ถึงก็ได้เข้าไปอยู่ในพระใจเป็นดอกเป็นพระสูตรหนึ่งนั้นก็ในทางพุทธศาสนานี่ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเพลงอยู่เช่นในอัจฉกถาท่านเล่าถึงครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยแต่งเพลงให้มานพมานพเขาจะไปเกี่ยวสาวทีนี้นบทเพลงนี้ก็จะเป็นบทเพลง เขาแต่ก่อนเขาเรียกว่าขับใช่ไหมขับนี่ก็หมายถึงว่าร้องเพลงนั่นแหละเนื้อหาจะเป็นเรื่องธรรมะนาจิตไปสู่ความดีงามเพราะฉะนั้นแม้แต่ในเรื่องของการมารมทำไงจะให้ธรรมะเข้าไปแทรกเพื่อจะดึงจิตโน้มจิตของเขามาสู่ความดีงามบ้างเพรฉะนั้นคนก็จะถูกดึงไปข้างเดียวล่อเรายั่วยวนกันแล้วก็หยาบลงไปหยาบลงไปใช่ไม นี่เราจะปล่อยโดยไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวเลยหรือนีในทางพุทธศาสนาจะเห็นว่าท่าทีในเรื่องนี้ก็คือการที่ว่าเราต้องไปพบกับคนในจุดที่เขาเป็นอยู่แล้วจุดมุ่งหมายของเราชัดเจนก็คือช่วยเขาได้เมตตาทาไงจะดึงนำเขาขึ้นมาสู่ความดีงามยิ่งขึ้ น, นถ้าเราไม่ไปพบกับเขาณนะจุดที่เขายืนอยู่เขาก็ไม่ยอมกระโดดข้ามมาหาเราเหมือนกัน ทีนี้อันนี้ก็ขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและขึ้นต่อพื้นฐานของผู้คนเหล่านั้นพร้อมทั้งความสามารถของผู้สอนเองด้วยผู้สอนบางท่านอาจจะสามารถพูดนิดเดียวทําให้คนีนก้าวกระโดดมาจากจุดที่เขายืนอยู่นี้มาหาตัวเองได้แต่เราจะไปมองอย่างนั้นทั้งหมดเพราะพระในผู้สอนก็มีความสามารถไม่เท่ากันต้องนึกเผื่อไว้ด้วยอย่าเอาตัวเองเป็นคนเดียวเป็นประมาท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 อ่านี่ก็เลยเป็นเรื่องที่นำมาพูดไว้ในที่นี้ด้วยนะที่จริงไม่ได้ตั้งใจพูดเรื่องนี้ะนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องเรื่องของบทสวดเหล่านี้ก็มีความประสงค์ที่จะโน้มจิตของคนเข้าโมาสธรรมะนะแม้แต่การรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นการสาธยายคำสอนก็ยังมาเป็นการ สังคีติเป็นการสวดซึ่งใช้สับเดียวกับการขับเพลงนะแต่ว่าจะเป็นธรรมนองที่ว่าระวังอย่างที่ว่าแล้วไงคือว่าทรานองจะต้องอยู่ลักษณะที่จะโน้มนำจิตมาสู่ความดีงามและความสงบเรื่องของธรรมะแล้วก็ต้องทำด้วยความตั้งใจสาหรับพระนั้นความตั้งใจเมื่อเราสวดในพิธีก็คือความตั้งใจปรารถนาดีต่อผู้ฟัง ให้ประชาชนนี้ได้รับผลดีได้เกิดความปองสายของจิตใจจิตใจสงบน้อมไปสู่ธรรมะนั่นเองนะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนีถ้าเราตั้งจิตปรารถนาดีมีเมตตาอย่างนี้อยู่เสมอการกระทํามันก็จะดีไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะไปมุ่งว่ า, าไปสวดทําำพิธีมีพิธีก็ทานะําเป็นพิธีอะไรอย่างี้นะจนคําว่าเป็นพิธีมันก็เป็นความหมาย สักว่าทมไม่ได้ตั้งใจก็เสร็จเสร็จไปแล้วไม่มีความมุ่งหมายอะไรแล้วก็ผลก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ขอหยุดเรื่องนี้ไปก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องบทสวดที่นํามาจัดวันเสาร์ว่าจัดบทสวดธรรมจักรเข้าไปบทสวดนี้ที่จริงก็เป็นพระสูตรเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรใหญ่ยาวพอสมควร นี่ได้บอกไปว่าธรรมจักกับพระวจนสูตรนั้นนิยมใช้สวดในงานวันเกิดที่ใหญ่ใหญใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวจะเผลอไปนึกว่าเหตุผลในการที่จัดเข้ามานี้เป็นเพราะเป็นบทสวดในพิธีวันเกิดเท่านั้นที่จริงไม่ได้มุ่งแค่ว่าเพราะไปใช้สวดในวันเกิดใหญ่ๆหรอกที่เอาเข้ามาในการสวดนี้คือมุ่งความสําคัญของพระสูตรนีนะ้ว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรสําคัญมาก เป็นปฐมเทศนาเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าปฐมเทศนาก็คือเทศนาครั้งแรกนะแล้วก็มีชื่อว่าธรรมจกรักกอปตนัสสูตรแปลว่าสูต ร, ร, ตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา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 แล้วก็ที่สุดอีกหนึ่งอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่ามุ่งไปในแง่ของจิตใจจงกระทั่งว่าละทิง้งเรื่องวัตถุเรื่องทางกายทรมารร่างกายเพื่อปลดปล่อยจิตนแล้วก็เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งการทรมารตนเองให้ลำบากเป็นอัตตกิริมัฏานุโยชนี่เป็นสภาพของความประพฤติปฏิบัติและลัที่ความเชื่อ ในยุคพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ประกาศพระศาสนาท่ามกลางภาวะเหล่านี้คือข้อปฏิบัติและความเชื่อในความคิดที่สุดสองอย่างที่ว่าการมาสุขาลิการุโยคกับอัตติกิลมัฐานุโยคพระองค์ก็ทรงประกาศทางสายกลางที่หลีกเลี่ยงละเลิกจากที่สุดสองอย่างนั้นนะเกิดมชิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา ละมัชฌิมาปฏิปทานนี้ก็คือหลักปฏิบัติที่อยู่ในหลักการใหญ่อีกทีทีท่ครอบคลุมก็คืออริยสัจสี 4. พระพุทธเจ้าก็โยงจากมัชฌิมาปฏิปทาไปก็ตรัสอริยสัจสี่อทีแล้วก็ประกาศให้เห็นว่าที่พระองค์ได้ตรัสสรุนี้ก็คือตรัสรุนอริยสัจ4ี่นี้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรุนอริยสัจสี่นี้โดย ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็จะไม่สามารถปฏิญาณพระองค์ว่าตรัสรู้แล้วได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันเนี้ยเป็นพระสูตรที่ประกาศหลักการสําคัญของพุทธศาสนาทั้งหลักการใหญ่และข้อปฏิบัติพร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันบัพสัมมาสัมโพธิญาณบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็จึงนํามาจัดเข้าเป็นบทสวดสําคัญเน่โดยที่มาประสานกันกับ